ปติญยาตกระระหนึ่งเยพุยสิกาหนึ่งตัดสปาปิยสิกาหนึ่งตินวัถฐารกะหนึ่งว่าโดยย่อแล้ว311ข้อแบ่งเป็นประมาทดังนี้ 1. ปราชิกแปดสิขาบท 2. สังฆาทิเศษส7สิขาบท 3. นิสกิยปาจิตตี30สิบสิขาบท 4. ปาจิตเต166สิกขาบท 5. ปาธิเศษนิยะ8สิกขาบท 6. เสคิยะ75สิกขาบท 7. อธิการณสมถธ7ประเภทในที่นี้ขอยกอาบัตหนักครุกาบัตคือปราชิก8และสังคาทีิเศต17มาแสดงเท่านั้น ประาชิกแปดสิขาบทอาบัติประราชิกแปลว่าทำให้พ่ายแพ้ผู้ต้องอาบัติก็คือผู้พ่ายแพ้ขาดจากความเป็นภิกษุณี 1. ภิกษุณีใดกำนัดยินดีการจับต้องรูกครัมจับต้องสัมผัสหรือการบีบจากชายผู้กำนัดบริเวณตั้งแต่ใต้รากขวัญใต้หายปละร้าลงไปลงมาเหนือเข่าขึ้นไปต้องประราชิก 2. พิกษุนีผู้ได้รู้อยู่แต่ปกปิดโทษของพิกษุนีผู้ต้องอาบัติประราชิกไม่โจดด้วยตนเองไม่บอกแกคณะต้องประราชิก 3. ภพิกษุนีใดประพฤติตามพิกษุนีที่ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมแล้วลงโทษไม่ให้ร่วมหมู่ชั่วคราวจนกว่าจะประพฤติให้ถูกต้องเรียกง่ายๆว่าถูกยกวัดแต่ สงยังไม่รับกลับเข้าหมูต้องประราชิก 4. ภิกษุณีใดกำนัด ย, นยินดีการจับมือตั้งแต่ข้อศอกจนถึงปลายเล็บยินดีที่ผู้ชายผู้กำนัดจับมุมสังคาติยืนคู่กับชายสนทนาการไปสู่ที่นัดหมายเพื่อจะได้เสพอสัตธรรมกับชายนั้นต้องประราชิก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 สามารถขอประพฤติปักคมานัดได้เลย 1. ภิกษุณีใดก่อคดีทะเลาะวิวาทกับขหาหบดีบุตรค้าหบดีธาตุกรรมกรแม้ที่สุดกับสมณะปริพาชคต้องสังฆาทิเศษสภิกษุณีใดรู้อยู่ไม่บอกแก่พระราชาสงฆ์คณะสมาคมหรือกลุ่มคนให้ทราบ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 ยังยืนยันอยู่อย่างนั้นหากภิกษุณีสงสวดสมณา น, านุภาษพครบสา3ครั้งแล้วยังไม่สละความคิดนั้นต้องสังคาธิเศษ9ภิกษุณีใดถูกภิกษุณีทั้งหลายว่า ก, กล่าวตักเตือนมีให้อยู่กลุกคลีกันแล้วมีความประพฤติเลวทามมีกิตติศัพท์และชื่อเสียงในทางไม่ดีเป็นการเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์ หากภิกษุณีนั้นยังคงประพฤติอยู่เช่นเดิมภิกษุณีทั้งหลายสวดสมานุภาพครบสามครั้งยังไม่เลิกประพฤติเช่นนั้นต้องสังฆาทิเศตสิภิกษุณีใดว่าร้ายภิกษุณีพูดยุยงให้ภิกษุณีพูดถูกภิกษุณีทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนไม่ให้คลุกเคลีกันตามข้อเก้าก็แย้งว่า ที่ภิกษุณีลาวอื่นก็ยังประพฤติคลุกคลีแต่ไม่เห็นถูกว่ากล่าวภิกษุณีสงว่ากล่าวเฉพาะพวกท่านเพราะดูหมิ่นเยียดยามไม่พอใจต้องการให้พวกท่านอ่อนแอหากภิกษุณีสงสวดสมานุภาพครบสามครั้งแล้วยังไม่สละความคิดเช่นนั้นต้องสังคารทิเศสิภิกษุณีใดเป็นผู้ชักสื่อ ด้วยการบอกความประสงค์ของบุรุษแก่สตรีสตรีแก่บุรุษเพื่อให้เป็นเมียรหรือเป็นชู้ก็ตามโดยที่สุดแม่บอกแก่หญิงแพทย์สยาที่จะอยู่ร่วมกันชั่วขณะต้องสังคาที่เศษสิบสองภิกษุณีใดขัดใจมีความโกรธตามกำจัดภิกษุณีด้วยทำมีโทษถึงประราชิกอันหาหมมลไม่ได้ด้วยหมายให้เคลื่อนจากพรมจันทร์ ต้องสังขารทิเศษส3บภิกษุณีใดขัดใจมีความโกรธถือเอาเลสบางอย่างเช่นอ้างว่าเห็นผู้มีบาตอย่างนี้เศบเมทุนเพื่อกำจัดภิกษุณีด้วยอันทามีโทษถึงประราชิกด้วยหมายเหตุให้เคลื่อนจากพรมจันทร์ต้องสังขารทิเศษส4บภิกษุณีใดพยายามทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียง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 ยังไม่สลากการกระทำนั้นต้องสังฆาทิเศษส6บภิกษุณีใดประพฤติตนเป็นคนว่ายากภิกษุณีทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนก็ไม่เชื่อฟังสมสวดสมานุภาพครบสามครั้งก็ยังไม่สลากการกระทำนั้นต้องสังฆาทิเศษส7บภิกษุณีใดประทุษร้ายตระโกนคือประจบขฤรือหัด ภิกษุณีทั้งหลายไล่ออกจากวัดกลับติเตียนว่าภิกษุณีเหล่านั้นมีอคติภิกษุณีทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนก็ไม่เชื่อฟังสงสวดสมานุภาพครบสามครั้งแล้วหากยังไม่สละความเห็นเช่นนั้นต้องสังฆาทิเศษข้อหนึ่งถึงข้อ10เป็นอสาธารณสิกขาบทเฉพาะภิกษุณีข้อ 11-17 ถึงเป็นสาธาณสิกขาบท คลุมทั้งภิกษุและภิกษุณีข้อมูลอ้างอิงหนังสือที่ใช้ในการเรียบเรียง 1. พระไตรปิฎกและอัธกถาแปลฉบับ200ปีของมหมามกุฏราชวิทยาลัย2525 2. 25. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายาัย2539 3. พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีมหาจุฬาเตปิดกังฉบับ24พุทธศตวรรษ2500สสารัตถีปณีดีกาพระวินยัยแปลไทยโดยอาจารย์สิริเพชรชัย ข้อมูลนิติอภิธรรมมห า, าธาตวิทยาลัยสองพันห้าร้อยสีสิบสองข้อพิจารณ า, า, รณาเหตุใดพุทธศาสนานิกายเถรวาดถึงระบุชัดว่าภิกษุณีไม่มีแล้วหนึ่งหากผู้ศึกษาได้อ่านและกำหนดหลักการบวชเป็นภิกษุณีให้ท่องแท้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 สองการต้องขออุปสมบทจากสงฆ์ทั้งสองฝ่ายก็เป็นเรื่องที่หนักคือต่อจากประพฤติ ธ, ธรรม6ประการครบสองปีแล้วก็ต้องได้รับสมมุติการอุปสมบทจากภิกษุณีสงด้วยยติทุติยกรรมวาจาต้องขออุปสมบทกับภิกษุสงฆ์ภิกษุณีผู้มีความสามารถจะสอน ซ้อมสิกขามนาผู้มุ่งจะบวชนอกที่ประชุมพิสุณีสมก่อนเช่นสอนให้รู้จักชื่อของพิกษุณีผู้เป็นประวัตินีคืออุปชาบอกบาทและจีวรเป็นต้นถามอันตรายยิกธรรมจากนั้นจึงให้เข้าไปประชุมพิกษุณีสงแล้วสอบถามผู้ที่จะบวชนั้นในท่ามกลางสตรีอีกครั้งหนึ่งแล้วพิกสุณีผู้ฉลาด ผู้สามารถจะสวดประการให้สงสารด้วยยัตติจะตุทถกรรมวาจาว่าผู้นี้จะขออุปสมบทจบกรรมวาจาแล้วไม่มีพิกษุณีรูปใดคัดค้านก็ถือว่าการอุปสมบทในพิกษุณีสงเสร็จสิ้นสมบูรณ์จากนั้นพิกษุณีสง์จึงพาเธอไปหาภิกษุสง์แล้วกล่าวคําขออุปสมบทต่อภิษุสง ภิกษุผู้มีความรู้ความสามารถจะสวดประกาศให้ภิกษุทรงทราบด้วยยติจะถุดทกกรรมมาวาจาจบกรรมวาจาหากไม่มีภิกษุรูปใดคัดค้านก็ถือว่าการอุปสมบทในภิกษุสงฆ์เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 3. ในแง่ความชัดเจนของการบวชเป็นภิกษุณีของเจ้าหญิงสักยะห้าร้อยองนั้นท่านไม่ได้แจกแจงไว้ว่า การที่ทรงอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุณีทั้งหลายอุปสมบทให้นางสากิยานีห้าร้อยท่านนั้นมีขั้นตอนขอบวชอย่างไรแต่ก็มีผู้สันนิษฐานว่าเป็นการอุปสมบทแบบติดสาระขามานูปสัมปทาคือให้ผู้ขอบวชเปล่งวาจาขอถึงไตรสระคมเช่นเดียวกับการบวชของสัมเนนราหุลและตามด้วยการให้ครุธรรมแปด เมื่อมาถึงการบวชภิกษุณีแบบยติจตุถกรรมมาวาจาจบแล้วมีการให้วัดเงาแดดเป็นต้นเป็นอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์การบวชจากสง์ทั้งสองฝ่ายแต่ก็มีผู้สงสัยว่าแล้วจะมีการรับครุษ ธ, ธรรม8ประการด้วยหรือไม่รับตอนใดเพราะครุษกรรมแข้อนั้นเป็นแบบปฏิบัติตนที่ภิกษุณีใช้เป็นหลักในความเกี่ยวข้องกับภิกษุสง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 สมณนรีมีอยู่น้อยมากดูเป็นการยากที่จะบวชภิกษุณีแล้วไม่ทำให้เกิดข้อสงสัยต่างๆตามมาหกพิจารณาในแง่ประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนและมีลายลักษณ์อักษ ร, รปรากฏใกล้ที่สุดก็ตอนที่พระเจ้าเกียรติสิริราชสิงหะมีพระราชสารให้ราชทูตมาถวายพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ และสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงศรีอยุธยาปีพุทธศักราชสอสขอให้ทรงสงฆคณะสงฆ์สยามไปอุปสมบทให้กุลบุตรลังกาอันเป็นที่มาของสยามวงหรืออุบาลีองค์ครั้งนั้นคณะสงฆ์ไทยอุปสมบทให้สมมามเณรทั้งหลายมีสมมามเณรสารนังกรเป็นต้นและในการต้อนรับครั้งนั้น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 เมื่อไปอยู่ในใต้หวันเป็นต้นภิกษุณีเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามครุธรรม8ดเช่นต้องอยู่ในอารามที่มีภิกษุณีต้องถามอุโบสถและรับโอวาจาภิกษุภิกษุณีเหล่านั้นรับโอวาจากภิกษุฝ่ายไหนแล้วการบวชต่อๆกันมานั้นบวชในภิกษุสงฆ์ฝ่ายไหนก็ไม่ใช่ว่าจากภิกษุเทระวาส แล้วบทสรุปเรื่องภิกษุณีในปัจจุบันจะเป็นเช่นไรในที่นี้จะขอนำบทสรุปประเด็นหลักที่พระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ปออประยุตโตเคยชี้แจงไว้ดังนี้ปัญหาภิกษุณีพระพรหมคุณาภรณ์ปออประยุตโต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 ก็เป็นอย่างนี้ถ้าภิกษุสงฆ์ในประเทศอื่นไม่มีภิกษุก็บวชใหม่ไม่ได้ก็จบสิ้นเหมือนกันทีนี้ภิกษุณีสงฆ์ในสายเถระวาดขาดตอนหมดไปแล้วเราเลยบอกว่าไม่รู้จะเอาภิกษุณีสงฆ์ที่ไหนมาบวชผู้หญิงให้เป็นภิกษุณีถึงแม้ภิกษุสงฆ์จะมีอยู่ก็บวชให้ไม่ได้เพราะการที่จะบวชภิกษุณีได้นั้น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 ถ้าภิกษุสงฆ์บวชภิกษุณีหรือภิกษุบวชสัมมเนรีดีไม่ดีไม่ช้าคนที่ทวงสิทธิสตรีก็จะท้วงว่าพระภิกษุถือสิทธ์อะไรมาเป็นผู้บวชให้แก่สตรีทำไมสตรีจะต้องไปให้ภิกษุบวชให้การยกเอารัรมโนนมาอ้างว่าสตรีต้องมีสิทธิบวชเป็นภิกษุณีได้นั้นไม่มีสาระอะไรเลย